มหาทานข้อหนึ่งกับเขาให้ชัดก่อนใช่ไหมเราต้องคิดให้ได้ก่อนในในบุคคลคล น, นนั้นนะ <Okay. S 1> เราสามารถจเจริญกุศลศีลที่เป็นมหาทานได้ไหม ใ, ให้ให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในการที่ไม่พลากนะไม่ทำให้เขาแตกแยกจากบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ให้ความปลอดภัยเกี่ยวเรื่องคาสัตย์คำจริงใช่ไหม พูจาเป็นสมักสมานให้เขามีความให้กําลังใจให้เกิดความเขาสามัคคีกันไม่แตกแยกกันให้คําอ่อนหวานไพเราะแล้วก็ให้อัตถาธรรมะกับเขาในคําพูดนั้นๆแล้วก็ต้องไม่โลภต้องไม่โกรธคือเมตตาเขาแล้วก็มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็ให้นะจิตที่เราคิดให้ในรักนี้เป็นมหาทานแล้วให้ความไม่ประมาทมัวเมาทั้งหลายนี้เป็นมหาทาน พ่อพระมาศา ส, สดาตรัสไว้ในข้อสุดท้ายที่ใช้คําว่าอีกประการหนึ่งนะเป็นผู้ที่ให้นะบุคคลที่ละ ก, การดื่มน้มําเมาคือสุราและเมลายเป็นที่ตั้งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้มําเมาสุราเมลายเป็นที่ตั้งความประมาทพิสูุทั้งหลายริยาสาวก็งดเว้นเนาะชื่อว่าไม่ให้ความไม่มีภัยเห็นไหม เราให้ความไม่มีภัยให้ความ <Hi. S 1> ไม่มีเวรให้ความ <models st umbling> ไม่เบียดเบียนแก่สัตห์หาประมาณไม่ได้เราละ <naming S 1> ตุนข้อนี้ได้เชื่อว่าเราให้เลยนะให้ความไม่ให้ความไม่เบียดเบียนให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยนะแล้วก็ค้านให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนแกสัตห์หาประมาณไม่ได้เป็นต้นตามลําดับแล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้มีส่วนด้วยนะเนี่ยกรรมเหล่านี้ที่เรากะทําทั้งหมดเนี่ยมันอุปการะท่านบนนั้นแหละ เราก็จะได้ความไม่มีภัยเราจะได้ความไม่มีเวรเราก็จะได้ความไม่ได้รับความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้อันนี้อ น, นสงฆ์ไม่น้อยเลยนะหาประมาณไม่ได้เพิกสูตทั้งหลายนี้แหละเป็นทานประการที่5นี้เป็นมหาทานเนี่ยบัณฑิตรู้กันว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นวงของพวกเราเป็นวงของพรงงพุทธเจ้า เป็นวงของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของท่านงั้นวงตระกูลของพวกเราเขาคิดแบบนี้เขาเจริญอย่างนี้เขากระทำกันแบบนี้เป็นของเก่ามีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งไม่เคยเลยเขาทำกันมาตามลาดับแล้วพวกเราจะไปทิ้งมันไม่ควรถ้างั้นเราจไม่ได้อยู่ในวงของอริยะ อริยวินันของพระผู้มีภาคเข้าใจใช่ตอนนี้ทำตนให้แข็งแรงเรื่องช่วยคนอื่นง่ายช่วยตัวเองยากยากช่วยคนอื่นดูง่ายใช่ไหมแต่ช่วยตัวเองเนี่ยยากช่วยให้ได้เบียเศจเมื่อช่วยตัวเองได้มันจะช่วยคนอื่นง่ายเพราะตัวเองช่วยได้แล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เรายังเกาะเรือมือเดียวอยู่เนี่ย หรือเรือยังเกาะไม่ติดหรือเรืออยู่ไกลเลยอะ่ะยังวิ่งไม่ทันเรือเลยเนี่ยเรือก็ไปเรื่อยเงี้ยต้องวิ่งเกาะเรือให้ทันก่อนเ่าตอนนี้เกาะทันหรือยังยังไม่ค่อยทันขึ้นบนเรือได้ยังยังไม่ขึ้นเลยยังขึ้นไม่ได้เลยจเพาทองลํำนี้ขึ้นไปได้แล้วปลอดภยัยแต่บางคนขึ้นไปแล้วโดดลงมานี่ไม่ดีอีกเนี่ยไม่ดีอี ก, นะอกเนี่ย ขึ้นได้หรืยังอันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งจักไม่ทอดทิ้งเนะี่ยจักไม่ถูกทอดทิ้งสมณพราหมณ์รู้ว่าไม่ไม่คดัคดคนะ้านเนยผู้รู้เนะี่ยนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลนาสุขมาให้ให้อารมณ์ที่เลิศ ด, ด้วยเราจะได้รูปที่เลิศได้เสียงที่เลิศได้กลิ่นที่เลิศได้รสได้สัมผัสได้ทำอารมณ์ที่เลิศ จะได้ของที่เลิศนี่เป็นอย่างนี้มีสุขเป็นผลด้วยลำดับแรกก็คือในสุขติอ่ะและเป็นไปที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเพื่อ ก, กลูเกลเพื่อความสุขนะนี่เป็นประการที่แปดฉะนั้นไล่มาตามลำดับนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลของอริยวงคือวงของพุทธเจ้าในบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกและบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะได้ดื่มด่ำรสของความสุขเหล่านี้ เพราะเขาคิดเป็นใครควรเป็นเจริญกุศลเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลเป็นเนี่ยนะเขาฝึกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทำตอนนี้เขากํ า, า, ก า, กบบาลังทนะําอลังการละกิจตบริขาลังเนี่ยเป็นบริขารลงของสมถะวิปัสนาอยู่นะถ้าไม่ทําอย่างนี้นะสมถะวิปัสนาเดินไม่ได้เดินยังไงก็เดินไม่ได้ล้มล้มแน่นอนพระพุทธเจ้ารับประกันไว้เลยในสูตรเนี้ยคุณล้ม คุณจะขึ้นยังไงในพระธรรมคําสอนเนี่ยเอาที่ถ้าคุณเดินทานอกุศลศีลกุศลไม่ได้อย่างนี้นะหกล้มไปเหอะต่อให้ไปเข้าห้องกรรมฐานเนให้ร้อยรอบก็ไปไม่รอดเพราะเพราะทานเอยศีลเอยเนี่ยไม่ฝึกพระเจ้าใช้คําว่าฝึกนะให้สังเกตดูบาลีดูพุทธพจน์เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งแล้วจะได้อู้ พูดน่ยไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปที่มาใช่ไหมดูว่ามาขยายไงดูเหมือนจะมาจะไม่ค่อยใช้คมภีรายละเอียดหรอกเพราะต้องใช้เวลาเยอะไงพรอใช้เวลาเยอะก็อธันตะมทัทนางทานังอธานังทนังนตะทูสกังเป็นต้นใช่ไหมคือตรงนี้ก็คือว่าการฝึกจิตซึ่งยังไม่เคยฝึกชื่อวะทานการไม่ฝึกเป็นเหตุปทัทศร้ายจิตที่ฝึกแล้ว ตรงนี้อย่างหนึ่งนะในชั้นของคําว่าในชั้นคําสอนนะมาจากคําว่า อ, อในข้อในในชั้นคําสอนที่ท่านใช้คําว่านี่นีในเขอบอกอีทางเมทานังทัตตังกาลยานางังกาลยานอกิติสัโทโธเนี่ยอภุคคัฉันตีติทานังเทตินี่นะ ให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วกิติศักด์อันงานย่อมขจรไปตรงนี้นะท่านใช้คําว่ า, าจิตตาลังกาละจิตตาปริขาละถังทานังเทติให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตนี่ตรงเนี้ยท่านใช้คําว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตนี่นะเอาให้ยังไงข้อที่แปที่บอกให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตอันนี้ถ้าดูใน ทีขณิกายเนยมาในอัฏฐทานวัตถุวัตถุคือทานวัตถุเหตุแหงการให้ทาน8ประกา ร, ระก น, น ะ, ระนะฉะนั้นการตรงนี้นะในข้อที่8ท่านใช้คำว่าจิตตาราังการาจิตตะปริคารัถังทานังเทติท่านใช้คำว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต ตรงนี้พระารกมาจารย์ท่านมาขยายคำว่าจิตตารังการจิตตปริขารักกักลางทานัางเทติบอกว่าบุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องประดับนะเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนี่ยและเพื่อเป็นบริวารของจิตในไหนในสมถะและวิปัสนาก็แปลว่าถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกในกรณีตั้งแต่ฝึกจากการให การฝึกการสละนี่นะเช่นไม่เข้าใจคําว่าเจตนาทานไม่เข้าใจวัตถุทานไม่เข้าใจอโลภทานไม่เข้าใจเ ว, วรติทานเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าเข้าใจแล้วต้องระดมจริงๆริงไหต้องระดมดังกล่าวเนี่ยระดมปารบรูปปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสปารบธรรมารมแล้วก็เป็นประเภทที่นั่นแหละอันนางปลานางคาังวัดถังเป็นต้นน่ยตามลําดับเลยว่าไปเถอะ ที่บอกว่าให้ข้าวให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่ผ้าเครื่องนุ่มเครื่องให้แสงสว่างแก่สมณพราหมณทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้สิ่งต่างๆก็มาแยกเป็น 6-6 หกนี่มันฝึกในการวิจัยการฝึกอย่างนี้เ็าเรียกทำตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตทุกชิ้นน่ะตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตนั่นแหละเขาเรียกฝึกฝึกจิต ฝึกจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตนีนะนะนี่เขาเรียกฝึกตรงนี้นั่นแหล ะ, ะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องปุ้งแต่งใช่ไหมเครื่องประดับเพื่อเป็นบริวารเป็นบริวารของอะไรเป็นบริวารจิตในสมถะและวิปัสสนาตรงนี้ตรงนี้ก็ บุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับให้ทานระดับเลยระดับเจตนาทานใช่ไหมเจตนาทานเป็นต้นที่เป็นไปเจตนาทานที่เป็นไปกับกุศลมีกุศลจิตรบาดเนี่ยเจ้าดวงไหนถวายเป็นพุทธบูชาใช่หให้สังเกตโดยเดพน้อมเนี่ยน้อมถวายบ่อยๆทีนี้เราและปริมาณทานกุศลนะวันๆหนึ่งเกิดมากไหมใช่ไม อ๋อ oh. คือกรณีคำว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนี่ยก็ก็หมายความว่ากรณีแห่งจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ว่าในขณะที่ในขณะที่กุศลจิตที่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าปริมาณของปริมาณของการปรุงการปรุง การปรุงนั้นท่านขับเน้นที่ตัวเจตนาเห็นไหมสังเกตดูไหมเจตนาทานลองไปดูลักษณะของเจตนาจะชัดนะเจตนานั้นธรรมชาติที่กระตุ้นนะกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนในที่นั้นก็คือชักนําสัมปยุทธธรรมชักนําสัมปยุทธธรรมก็คือการที่ว่าจะปรุงแต่งทําให้กุศลทําให้กุศลนั้นเกิดขึ้น ตรงนี้ก็มาพิจารณานืสภาพของเจตนาเนี่ยมาจากคาว่ากระตุ้นกระตุ้นสภาพที่เชื่อมทำที่เกิดพร้อมกับตนไว้ให้เราไม่ขาดก็หมายว่ากระตุ้นทำที่เกิดพร้อมกับตนสู่อะไรสู่อารมณ์ชักชวนกระตุ้นทำที่เกิดพร้อมกับตนให้ทําหน้าที่ของตนใช่ไหมก็ทําอะไรเจตนาเขาก็ชักชวนผัสสะให้ทําหน้าที่กระทบ กระทบกับตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสสัมผัสและทำอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหมกระทบอารมณ์อะเวทนาก็เสวยลดลดของอารมณ์สัญญาก็จาเวทใช่ไหมเป็นต้นสังขารก็ปรุงแต่งทั้งหลายเป็นต้นแเจตนาต่างๆก็ทาหน้าที่แล้วก็ศรัทธาทำให้เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยถ้าถวายเป็นพุทธบูชาเจตนาก็กระตุน้นเลย กระตุ้นปารบสีผ้าที่มีสีทองนะปารบฉับพันละลังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอำนาจสัพพัญญตยานของพระบรมศาสดารมฉับพันณรลังสีสีทั้ง6ใช่ไหมเพราะตัวหัตถยาวถุเนี่ยผ่องใสดินน้ำไฟลมที่หัตถยาวถุอาศัยเกี่ยวข้องก็ผ่องใสด้วย ที่สุดจริงๆการัชกายของพระบรมศา ส, าสดาทั้งเส้นก็มีฉับพันนลังสีสว่างสวายออกมาจากสีทั้งหเราเห็นผ้าที่มีสีทองพองอัมภัยน้อมถวายว่าพระวรากายของพระบรมศาสดามีสีทองพองอัมภัยเราจักนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาผ้าผืนนี้มีเสียงดังพลึบพลึบในขณะที่ลมถูกต้องกระทบ มมีกลิ่นหอมจากการปละาพรมน้ำหอมเนี่ยนะมีมีโพธพระใช่ไหมแล้วที่อ่อนนุ่มราศาัศดาตอนนั้นเราจะทำราศาัศดในที่นั้นก็คือรสของพระธรรมให้สว่างรุ่งเรืองแก่ผู้พบเห็นนะให้ธรร ม, มารมก็คือความงดงามของผ้าผืนนี้ที่มีการยึดยองเพราะอาโปธาต์ยึดยองผ้าผืนเนี้ย เราจะปกคลุมภวรากายของพระบรมศาสดาน้อมบูชาอสาธารณะญาณ6ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธญาน14เวนีิกระทา18เวสารัชยาน4พระทศพลโยญาน10ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเดินไปปารลในใจเดินไป น, นั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการเดินไปนั้นเน่ยเขาเรียกว่ากายกรรมที่เป็นทา น, นากุศลเห็น mm hmm. ไหม พูดไปเราท่านทั้งหลายเชิญมาโมทนาร่วมกันร่วมกันทุกคนมีส่วนได้บุญเท่ากันหมดเลยนะวาจาที่เป็นทานกุศลไม่ทำกายละวาจายเคลื่อนไหวไปนิ่งนิ่งข้ควรน้อมบูชาด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะถาวายสีเป็นประทานแล้วก็เอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์เป็นบริวาร น, นั้นก็เลยกลายเป็น มโนทานมโนมโนคือที่เป็นทานกุศลเห็นไหมกายกรรมที่เป็นทานกุศลวัจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลก็ปารบอย่างเนี้ยฝึกไหมอย่างนี้ฝึกจิตไหมเนี่ยฝึกเรียบร้อยแล้วและปุงแต่งเขาให่ยัยยงนี่แหละละ่ะอันเดียวกันนี่แหละทำให้สวยขึ้นทําให้สวยขึ้น ปรุงให้สวยขึ้นประดับให้สูงให้สวยขึ้นเป็นเครื่องประดับจิตสวยขนาดไหนจนสามารถเป็นไปแก่การที่เป็นอุปยาราสมาธิไปประดับเลยประดับสมถะเลยอัปนาสมาธิเป็นที่ตั้งของอัปนาสมาธิได้เลยนี่ประดับอย่างเงี้ยสามารถที่จะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปัติต่อสมาธิแปะประการได้ฉะนั้นมันอยู่ที่ข้อมูล อยู่ที่ข้อมูลทุกอย่างการเจริญกุศลเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าต้องได้ข้อมูลต้องเข้าใจอ่ะแต่มันต้องไม่สเปสสปะนะในภาษาสนานี่ห้ามเด็ดขาดอย่าสเปสสปะอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วเด็ดขาดแต่ว่าอย่างเงี้ยให้คล่องคิดให้คล่องพูดให้คล่องน้อมจิตให้ ค, คล่องแค่ว ปรุงแต่งจิตใช้เจตนาทานนี่เขาเรียกเจตนาเห็นไหมว่าผ้านั้นเป็นแค่อุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่ปริมาณจริงๆคือต้องการให้กุศลเนี่ยออกเยอะๆที่เป็นน้ำที่เป็นกุศลเนี่ยออกมากๆๆน้อมมากๆไข้ ค, รครวนมากๆแต่เช็คด้วยนะเช็คดูด้วยใช้กุศลไหมไม่ใช่เป็นอกุศลออกมาเพ่นผ่านอีก นี่สำคัญมากตรงนี้อต้องต้องทำให้เกิดนี่แหละทานเป็นแบบนี้แหละ อ, อ้าวใครจะถามอะไรอ่ะพอได้หรื อ, อ, อยังอาจารย์ ก็ทำให้การไคร้ครวนต่างๆหยุดชะ ง, งักบุญไม่เกิดสภาพใจเสียใช่ไหมสภาพจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เดินไม่เดินต่อนอะไรเริ่มบ อ๋อก็บอกว่ากรณีที่เราถวายร่างกายและชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วสมบัติติดเนื้อติดตัวจะขอเก็บไว้ก่อนจะไม่ถวายอย่างนั้นใช่ไหมไม่เราคิดอย่างนั้นใช่ไหมตอนที่ถะใบถวายอ่ะ ออเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราแยกว่าวัตถุในโลกเนี้มีสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นวัตถุทานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุการมใช่ไหมเราแยกว่าอย่างนั้นเลยงั้นก็ไปเขียนเข้าไว้ไปเขียนเขาไว้แล้วชีวิตของเราก็จะลำบากสับสนเหมือนกันนะแบบนี้นะที่สุดจริงๆก็ไม่พ้นจากการเป็นที่ตั้งของ การยึดติดอยู่ดีเราก็ออกจากมันไม่ได้เราคิดหรือว่าเราจะเฝ้ามันได้อีกนานโอ้เลยเวลาแล้วเนี่ยนะพักก่อนสักหน่อยดีไหม ไปดูในสับปริสถานาสูตรในอังคุตรนิกายบัญากตินี้บอ่านได้มันก็ไม่ได้มีขยายตรงนี้โอ้ไม่มีมันก็มีสั้นสั้น เข้าใจทานยากจังยากคนเข้าใจทานยากยากก็เนี่ยคนเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไง เนี่ยพอออกไปก็ลืมกันคุยกันแลลดเล่อนอยู่แล้วเป็นอย่างนี้ตามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นยอมว่าเป็นมาจะเศร้าใจลอถ้าเข้ามาน่ทำพิจารณาเรื่องคด ใตตัวในีารตองกาพิจารณาเป็นหลักฐานในการใช้ในการตัดสิ ไปรับข้างไปรับข้างรับาสล้วก็พางไปข้างยังไม่ไ้สั อ้าวรีบต่ อ, อเรื่อรีบต่อเนี่ยเวลาจะหมดแล้ว ิก็แต่เราไม่ได้ชีวิตเลยยอะยังไม่เลยย่าป่ะไปดูหนังสือเล่มที่อ่าไม่เป็นไม่อยู่แต่ก็มีเอง อะอรเนี่ยเล่นเล่นเล่นใหม่อะไรเนี่ยเล่นใหม่ไปไหน ได้นะครับไม่เคยตูงได้ได้ได้ แล้วแล้วโยมท่านดาไม่อยกลับไปแล้วดอ แล้วฟังฟังเข้าใจป่ายอมแก้วเข้าใจองมเข้าใจแล้วเห็นคุณของพระพิ้าบ้างไหมเนี่ยเ เอาว่ามาเออต้องพาไปให้คุยกับครูบาอาจารย์เขาสิ้องพาไปคุยที่ถ้าเขาคิดอย่างนี้ไม่ยากนุ่นพาไปหาท่านยงอ่ะให้สบายเลยขับรถไปเลยท่านยงอะสช่ไ เออพาไปแค่สิบแค่สองสามชั่วโมงก็ก็หายคิดแล้วคุม้มดีก็ให้ไปวนอยู่อย่างนั้นพาเข้าไปที่เออลูกเดี๋ยวพาไปทำบุญว่งงันเดี๋ยวพาก็มีอุบายวิธีคิดเองเข้าใจ ป, ไปะ ไม่ก็ก็ถ้าไปที่นั่นมันสะดวกเพราะมันจะว่างไม่ต่ามก่านานมากเลยสามารถอยู่ต่อได้เลยเพราะเสร็จสิบโมงแล้วคุยต่อได้เลยถ้ามีธุระฉันเพลงเสร็จไทยได้ไปเถอะก็ลองไปสนธนานดู ให้เข้าไปทําบุญพวงนั้นตั้งอุบายขึ้นเนอนะ <c oughs> เป็นลูกเราเส้น <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ใช่าไหม เข้าใจได้ยังบุญแลงบุญ อธิบายมุมพวกนี้ต้องต้องเยอะต้องอธิบายให้ชัดถ้าไม่ชัดเนี่ยเขาจะเข้าใจอีกมุมหนึ่งเพราะเป็นมุมอย่างเงี้ยพูดไปเที่ยวเดียวเขาไม่เก็ียดหรอกบางคนอยู่ๆมาพูดอย่างเงี้ยเขาจะมองไม่เห็นภาพมันต้องเดิน พุทธคนอย่างต่อเนื่องเจ็ดวันเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆืปฏิบัติเป็นพุทธาเนื้อติวเจ็ดวันน่แล้วก็สรุปประเด็นลงนั่นต้องเป็นอย่า ง, งานั้นปัญญาของคนยุค น, นี้คนที่เห็นอย่างนี้ได้แปลว่าเา้าเขาต้องคิดมาดีแล้วเขาต้องคิดมาดีแล้ว ก็คือโลกใบนี้เป็นสมบัติของของคนทุกคนแต่ว่ามันไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ถ้าของพระเจ้าน่คือทั้งใบเลยนี่สมบัติของพระศาสดาคนไม่รู้กันเยอะไม่เยอะเยอะมากก็ติดอยู่ในอมิตรของพระศาสดาอยู่นี่แหละเป็นอามิตรไม่สะอาดเป็นมรดกไม่สะอาด เยอะๆมาพูดโตมเนี่ยเขาเป็นไปไม่ได้แต่วันหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะพูดคำนี้ได้เนี่ยมันต้องอีกมุมแล้วพูดต้องขยายไม่ขยายเพราะก็ โ, โหอยนี้พูดเอามาจากที่ไหนแล้วเนี่ยใช่ไหมตรงนี้พูดพูดไม่ดีเพาะ ก, ก็ะจะจอมตีเราต้องระวังก็ต้องยกกระรฐานให้ชัด ดังตรงนี้ต้องต้องให้เห็นชัดเรื่องบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้เห็นชัดว่าจริงๆเป็นบุญของพระพุทธเจ้า <c oughs> ต้องชำนาญต้องชำนาญคื อ, ค, อคือเวลาพระบรมศาสดาตอนที่ท่านเป็นจักรพรรดิราชปกครองทวีบทั้งสี่ท่านถวายท่านปราถนาสัพพัญยุตยานนะ นั่นเห็นชัดเลยเวลาท่านยกพื้นแผ่นดินสละเพื่อบำเพ็ญเนตขัรมมนั่นแหละกี่ครั้งท่านใช้คำว่าบุญที่ทำให้ท่านได้เป็นจักรพรรดิเนี่ยนับไม่ได้อนนะโอ้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วว่าจะเห็นชัดว่าพระบรมศาสดาปกครองทวีปทั้งสี่ทวีปน้อย2 0 0พบริวารสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ย ใครสงสัยอะไรก็ถามเลยนะเพราะเราต้องการอยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เข้าใจพระทานในบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อเราพูดถึงทานเนี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วแต่นี้เราจะได้เข้าใจว่าเกิดจากบุญของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสละทิ้งเพราะสละทิ้งเนี่ยได้ก็สละได้ก็สละใช่ไหมพระศาสดาได้ฐานะาจากักรพรรดิราช มากี่กี่โกรธครั้งกี่พันโกรธครั้งกี่ล้านโกรธครั้งแล้วสรุปแล้วก็คือปกครองเนี่ยจักรวาลโลกทั้งหลายเนี่ยนะคือจักรวาลทั้ง4บริวาร น, น้อยใหญ่สองพันวินบริวารเนี่ยแล้วก็บําเพ็ญเดกขม้าเฉยเลยก็แปลสละใช่ไหมต้องน้อมถวายท่านปรารถนาสัพพยุตยานฉะนั้นทานบา ร, รมีองท่านต้องทันให้เต็มถ้าทานบา ร, รมีต้องเต็ม แคนั้นลราถ้าเราจะเข้าใจคําว่าทานเนี่ยให้ชัดอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเลยทีนี้โยมพิชยาก็ชัดแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมชัดเจนเลยว่าสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ว่าเราก็ทําบุญมาในส่วนบนพื้นที่ของสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เราก็มีลูกไงเราจึงมีสิทธิ์อ่าทำไมถึงเรามีสิทธิ์เพราะเราจเจริญกุศลกรรมมาเราเป็นเราเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าเราก็เป็น เมื่อเราเป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เลยมารับอามิสมรดกของพระเจ้ามีสิทธิ์รับอามิสมรดกของพระศาสดาเอาตอนนี้รับแล้วทีนี้เราจะใช้มรดกของพระศาสดาโดยฐานะโ ด, านะโดยความเป็นให้กินให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะให้ราคาโทสะโมหะมาฉาบติดไหมก็ไม่ควรใช่ไหมอา้าวแล้ว ทำไมคุณยังต้องใช้เครื่องประดับอยู่ก็เราเป็นเราเป็นทายาิเรามีสิทธิใช้เอา้าแล้วคุณใช้ใช้ยังไงก็ใช้เหมือนพระใช้บาทใช้จีวรเนี่เขาใช้ยังไงเขาขึ้นเดินขึ้นสู่เรือใหญ่คือปัจจเวคขณะสุทธิคือการพิจารณาก่อนใช้ดีไหมโยมพิจยาปฏิสังขาโยนิโสเลยพิจารณาก่อน จึงบริโภคใช้สอยวัตถุชิ้นนั้นไม่ใช่เพื่อมัวเมาสนุกสนานเพิดเพลินใดๆเอาทำไมประดับแล้วเอาไม่ประดับแล้วมันเข้าสังคมเข้ายากก็เลยเข้าประดับดีไหมแต่ไม่ใช่ให้กิเลสมามาทำกิจคิพิจารณาแทนนะเราพิจารณาจริงๆว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าสู่ห้องของสังคมนี่พูาใจย็ตุ้ม ใช่ไหมเพราะจริงๆอย่างเงี้ยพอทนไหวใช่พอทนไหวก็คือศีลห้างไงก็เราแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นสู่ธรรมนาวานะคือปัจจเวหขนาดสุดที่นะไม่ใช่ไม่ขึ้นสู่ธรรมนาวาเลยตอนนี้เรายือนอยู่บนเราอยู่บนเกาะเล็กๆเ่เกาะเล็กๆบนพื้นทยของอามิตรที่มีศีลศีลห้า น, นั้นเราก็ยังอยู่บนเกาะได้แล้ว ไม่ต้องถูกทะเลเกลือทั้งหลายในยท่วมทับแล้วเข้าใจคําว่าทะเลเกลือไหมคือไม่จมอยู่กับอามิตรทั้ทีเดียวเพราะเรายังมีศีลอยู่เรามีศีลห้างไงใช่ไหมแต่มันยังไม่ไม่ปลอดภยัยเพราะมันปริ่มตอนนี้ได้ข่าวน้ําก็ขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมมันจะต่ํากว่าทะเลเม็ดแล้วเนี่ย นี่ไม่ปลอดภัยจริงๆใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ก็ขึ้นสู่นาวาสิขึ้นสู่นาวาเสียตอนเนี้คือปัจจวกขนาดสุทธิเพราะตอนนี้เราได้ปฏิโมกทั้งวรศีนแล้วใช่ไหมเดินได้คล่องหรือยังยังไม่คลอกอีกทานก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเดินศีนก็ตะกุกตะกักอยู่เนี่ยเดินให้คล่องเสียตอนเนี้เราจะได้ขึ้นสู่นาวาแห่งการพิจารณาปัจจัยสี่ จะได้ไม่ติดข้องด้วยตัณหามานะทิฐิใดๆแล้วมันดได้ใส่ไปเพื่อไม่ใช่เอานางวิสาขาใช้เครื่องประดับไหมใช่แล้วนางอวดไหมไม่อวดนางไม่ได้ไปอวดแนะๆนางใช้โดยฐานะว่านางมีทรัพย์อนางใช้ยังไงแล้วทําไมนางวิสาขาจึงใช้มรดกของพระยา้าเพราะนางเข้าใจอย่างอย่างที่พูดนี่ไงจะเป็นบุญของนางส่วนหนึ่งใช่ไหมนางเป็นบุตรนี่ เป็นทายาทของพระศ า, าสดานางก็มีสิทธิใช้อามิสสมรดกของพระ อ, องค์สิ